จะกลับไปเมื่อไหร่วันที่สิบห้ารู้ทางทางยูทูบถ่ายเท่าไหร่เขียนมาถามพี่เจ้าค่ะอได้คําตอบว่ะได้คําตอบรอฟังอยู่ค่ะะเขียนแล้วเวลาเขียนมาแล้วคําตอบนี่ต้องรอนานไหมไม่นานจะปะไม่นานนะแล้ก็ได้คำตอบตอนนั้นเลยเขียนตอนที่กําลังถามตอบอยู่ ตอนที่เทพจะพึ่งถามเพราะให้้เทศเสร็จกันแล้วก็ถามดีอ่าไปก่อนได้อ่าสาธุถ้ า, ามีโอกาสจะจะมากราทบทอโมทนาไปอยู่ที่ไหนก็หนีความทุกขนะ์ไม่พ้นอยู่ที่ไหนก็เอาความทุกข์ไปด้วยเอาความทุกข์อยู่ที่ใจ ตรงนี้แล้วคิดว่านี้ไปอยู่ตรงนั้นเราจะหายทุกข์ไม่ไม่หายทุกข์มันตามไปทุกข์มันอยู่ในใจเราอยู่ในตัวเราคนมักจะคิดว่าทุกตรงนี้เพราะคนนั้นเพราะสิ่งนี้ย้ายไปอยู่ตรงนั้นมันจะหายทุกข์ไม่หายมันก็ทุกข์ใหม่ทุกข์กับคนใหม่ทุกข์กับสิ่งใหม่ทุกข์กับเรื่องใหม่ ทุกอยู่ในใจเราเกิดจากความอยากของเราเกิดจากกิเลสตัณหาของเราเกิดจากความโลภความอยากต่างๆถ้าเราไม่มาแก้ตรงนี้ตอให้เราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันที่จะแก้ได้สาเร็จต้องแก้ที่ใจต้องแก้ด้วยธรรมอย่างเดียวแก้ด้วยอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้ แกด้วยเงินทองแกด้วยข้าวของก็แกในชั่วงคราวไม่สบายก็ไม่สบายใจก็ไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวของไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านมันก็มันก็กลับมาเจอความไม่สบายใจใหม่ความไม่สบายใจก็กลับมา <c oughs> ต้องแกด้วยธรรมะ ด้วยการทำทานในการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าจะใช้เงินดับความทุกข์ก็เงินไปซื้อซื้อบุญดีกว่าเอาไปทำบุญดีกว่านีกว่เอาไปเที่ยวดีกวเอาไปซื้อกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้าซื้อเพื่อดับความไม่สบายใจอย่าไปซื้อ มันดับได้เดียวเดียวเดียวความไม่สบายใจมันก็กลับมาใหม่แต่ถ้าเอาไปทำบุญเนะี่ยมันจะช่วยให้ความไม่สบายใจดับได้ดีกว่าการเอาไปดับด้วยการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเพราะอย่างนั้นมันก็จะทำให้เราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินมาดับความไม่สบายใจ เวลาเราทำบุญใจเราก็เย็นสบายมีความสุขกว่าความสุขที่เราได้จากการไปใช้เงินตามความอยากแต่การใช้เงินมาทำบุญก็ยังไม่สามารถดับความไม่สบายใจได้หมดเพียงแต่ว่ามามามาเบรกวิธีใช้เงิน เพื่อมาดับความทุกข์นั่นเองเช่นถ้าเราคิดว่าเราไม่สบายใจจะไปเดินตามศูนย์การค้าดีกว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่เอาไปทำบุญดีกว่าความความสบายใจมันจะอยู่นานกว่าแล้วมันจะทำให้เร า, เานดการที่จะต้องไป ซื้อข้าวซื้อของเพื่อมาทำลายความไม่สบายใจเราทำบุญเพื่อให้เราได้มีกำลังที่จะมารักษาศีลมาภาวนาถ้าเรามัวแต่ใช้เงินเป็นการแก้ปัญหา แก่ความไม่สบายใจเราก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปหาเงินมาอยู่เรื่อยๆการไปหาเงินก็เป็นการไปสร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเพื่อจะได้เอาเงินที่หามาจากจากจากการสร้างความไม่สบายใจเพื่อเอาเงินมาดับความไม่สบายใจ ถ้าเราไม่ต้องหาเงินความไม่สบายใจที่เกิดจากการหาเงินมันก็จะไม่เกิดอันนี้เป็นเรื่องของการทำทานเพื่อให้เราเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ใจเราต้องมาดับความไม่สบายใจด้วยการมาภาวนาด้วยการมาถือศีล อ ย, อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้แต่ต้องอยู่ที่มันสงบอยู่คนเดียวก็จะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจเพราะเป้าหมายของการทำใจให้สบายก็คือทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็ความจะมีความสุขความไม่สบายใจก็จะหายไป ความไม่สบายใจต่างๆ <c oughs> แล้วพอเรามีความสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาที่เราไม่สงบก็เพราะว่าใจเราเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดความโลภความอยากเสียแล้วความสบายใจก็จะกลับมาความไม่สบายใจก็จะหายไป เราต้องรู้จักวิธีทำใจให้สงบก่อนเพราะการทำใจให้สงบก็เป็นการหยุดความโลภหยุดความอยากไว้ชั่วค่าวแล้วพอเรารู้ว่าเวลาเราเกิดความไม่สบายใจเกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเราก็อยากไปทำตามความโลภทำตามความอยากพอเราไม่ทาความโลภความอยากมันก็จะ หมดกําลังไปมันก็จะไม่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราอยู่ที่ไหนก็สบายใจไม่ต้องมีอะไรมาทำให้เราสบายใจเราจะรู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความโลภเกิบจากความอยากของเราเท่านั้นเองพอเราไม่ทำตามความโลภทำตามความอยาก หาไม่สบายใจมันก็จะหายไป mm hmm. ใจก็จะสบายไปตลอด mm hmm. ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน mm hmm. กับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆ mm hmm. พราะเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่ mm hmm. นพวกพ่อค้าแม่ค้าก็ เดือดร้อนเพราะเศรษฐกิจไม่ดีอยากให้เศรษฐกิจดีความความเดือนร้อนความไม่สบายใจของคนเราก็เกิดจากความอยากทุกข์อยากได้ความเจริญในราบยศสารเสริญสุขกันพอมันไม่เจริญก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา นี่แนหะคือปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยู่ที่ความโลภของเราความไม่สบายใจของเราเกิดจากความโลภความอยากแล้วเราจะต้องหยุดมันด้วยการไปอยู่ที่สงบแล้วก็ยุติการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อมาระงับความไม่สบายใจ ระงับการไปเที่ยวแระงับการไปอใช้เงินใช้ทองระงับการไปดูไปฟังไปเรียนไปรับประทานหยุดทุกอย่างให้นั่งเฉยๆบ่อยๆนานๆนั่งให้มันจนจนจนมันเป็นสุขกใหม่ๆนี่นั่งแล้วมันไม่สุข ที่มันไม่สุขก็เพราะความอยากพอให้นั่งเฉยๆมันก็อึดอัดขึ้นมาแต่ความจริงอะไรจะสบายเท่ากับการอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆการทำงานนี่มันเหนื่อยมันลาบากแต่กับกับไม่รู้สึกอึดอัดพอได้ทำงานได้ทำอะไรได้ไปไหนมาไหนรู้สึกโล่งออก อให้อยู่เฉยๆให้อยู่บ้านเฉยๆให้อยู่วัดเฉยๆเปิดอัดเหมือนกับลิงอะลิงมันไม่ชอบอยู่เฉยๆให้มันอยู่เฉยๆแล้วมันจะดิน้นถ้าปล่อยให้มันไปทำอะไรได้โอ้ยมัน ม, มีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ที่ทำให้มันต้องทำอยู่เรื่อยๆ ถ้าเวลามันไม่ได้ทำมันก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ทำใจให้มีความสุขจากการอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราการจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องต้องมีสติคอยกำกับใจคอยควบคุมใจ ให้หยุดคิดเพราะความคิดนี้พาเราไปสู่ความอยากต่างๆคิดถึงกระเป๋าก็อยากจะซื้อคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาคิดถึงอะไรนะมันก็เกิดความอยากตามมาพราพอเกิดความอยากแล้วใจก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่กับที่ไม่ได้ต้องต้องไปทําตามความอยากเพราะความอยากนีเป็นเป็นเหมือนกับเหมือนกับเข็มทิ่มหัวใจทิ่มแทงใจพอมันเกิดขึ้นมาแล้วใจมันสะดุ้งใจมันใจมันอยู่นิ่งแล้วมันทรมานต้องไปทําตามความอยากแล้วเข็มมันก็จะไม่ทิ่มแทงหัวใจ พอได้ทําตามความอยากมันก็รู้สึกสบายก็เลยคิดว่าการทําตามความอยากนี่เป็นวิธีหาความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเวลาเกิดความอยากแล้วได้ทําสิ่งที่เราอยากทําก็มีความสุขแต่เดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วก็อยากจะทําใหม่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆเพราะถ้าไม่ได้ทําก็จะไม่สบายใจเี่ย แต่วิธีของพระพุทธเจ้านี้ท่านกลับเห็นว่าการไม่ทำตามความอยากนี่เป็นการทำให้เราสบายใจเราต้องเผืนความอยากอย่าให้ไปทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเบาลงไปหยุดเองพอความเยอะยาหยุดแล้วมันก็สบายแล้วมันจะไม่กลับมาใหม่ วิธีแก้ความอยากต้องแก้ด้วยการไม่ทำตามความอยาก้าเรียกว่าละความอยากถ้าทำตามความอยากมันก็จะสร้างความอยากขึ้นมาใหม่อยากได้ไอันนั่นแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ไอนน่นต่ออยากได้ไอนน่นแล้วก็อยากจะได้ไอนี่ต่ออยากมาตั้งแต่เกิดในชะ่ไมมีความอยากมันหมดไปเล้วยังไม่หมดนะมันก็จะมีไปเรื่อย มันคนที่อยากสูบก็เลยอยากสูบอยากดื่มกาแฟาอยากนึ่มสุราเนีถ้าลองทําตามความอยากแล้วไม่มีวันหยุดจะหยุดก็เมื่อร่างกายมันมันไม่ไหวบางทีก็หยุดไม่ได้หมอสั่งห้ามไม่ให้ดื่มสุราก็ยังเลิกไม่ได้ยอมตายดีกว่ายอมอด หมแล้วมันทรมาร์ตีว่าตายแล้วมันแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวว่าตายแล้ว <c oughs> แต่มันไม่มันไม่ได้ตายแล้วมันจบเนยตายแล้วมันกลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจร่างกายตายไปความอยากไม่ได้หมดไปกับร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจใจไม่ได้ตายไปกับร mm. ่างกาย ความอยากมันก็ผลักดันให้เรากลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้ว ม, มาอยากใหม่มีใครต้องสอนเราไหมเรื่องความอยากเนี่ยพ่อแม่ต้องสอนเราไหมนหนูอยากได้นู่นไหมหนูอยากได้นี่ไหมมีแต่จะสอนพ่อแม่หนูอยากได้นู่นหนูอยากได้นี่พความอยากมันติดมากตับใจ มันเป็นตัวผลักดันให้จิตใจเรามาเกิดต่อให้เราเกิดมากี่ครั้งตายมากี่ครั้งถ้าเราไม่กาจัดความอยากมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตายอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละคือตัวปัญหาของเราที่เราจะต้องใช้วิธีที่พระเจ้าใช้ในการแก้ ก็คือต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาภาวนามานั่งสมาธิจะภาวนาได้จะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องรังับกิจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดก็ต้องมาถือศีลแปศีลแปก็จะระงับกิจกรรมต่างๆที่ไม่จำเป็นที่ไม่ควรทำที่จะเอาเวลาไปจากการภาวนาจากการปฏิบัติ ถ้าเราไม่ถือศิลแปดเราก็ยังไปกินข้าวเย็นได้เย็นนี้ไปกินเลี้ยงได้แต่ถ้าถือศิลแปดนี่ก็ไปไม่ได้แนละ้หลังจากเที่ยงไปแล้วก็ทีนี้ก็มีเวลาว่างนั่งสมาธิไดนะ้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอาหารเย็นแล้วถ้าเราไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังไปฟังเพลงไม่ได้ไปแหล่งบันเทิงไปอะไรต่างๆไม่ได้ ไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้เราก็จะมีเวลาว่างเวลาที่เราจะได้มานั่งสมาธิมาหยุดความคิดมาทาใจให้สงบถ้าเรามีเวลาแล้วเรารู้จักวิธีปฏิบัติปฏิบัติไปเดียวเดียวมันก็ได้มันไม่ยากเย็นตรงไหนหรอกอยู่ที่เราไม่หาเวลามาปฏิบัติให้ถือศีลแปดนี่ก็โหยก็ ยกธงขาวนะ้อก็ไม่ถึงศีลแปดมันก็จะไม่มีเวลาแล้วนะให้เจริญสติก็ไม่ชอบเจริญกันนะให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือให้เฝ้าดูใะให้เฝ้าดูร่างกายให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายร่างกายจะทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นกำลังเดินให้อยู่กับการเดิน กำลังนั่งให้อยู่กับการนั่งกำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากำลังดื่มน้ากำลังรับประทานอาหารทํากิจกรรมอะไรให้อยู่กับกิจกรรมนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะทําไปแล้วก็คิดไปกับเรื่องอื่นเค้ยวเคี้วอาหารไปกินอาหารไปก็คิดถึงธุระนั่งคิดถึง อ่อะไรบ้างคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะซื้อบ้างคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะขายบ้างมันคิดไปเรือเ่อยเปื่อยคิดไปตลอดเวลาไม่ไม่ไม่หยุดคิดนะเราถึงต้องบังคับให้มันให้มันเฝ้าดูการกระทําของร่างกายแล้วมันจะได้คิดไม่ได้เช่นกินอาหารต้องให้ดูตั้งแต่ตักอาหารจากจานเข้ามาใส่ปาก จะเข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็เกินเกินแล้วก็ตักอาหารใหม่เข้าปากใหม่เคี้ยวใหม่เกินใหม่ต้องดูอย่างนี้มันถึงจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราฝึกทําอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิก็ให้มันดูลมหายใจมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปดูแค่นี้ะ ถ้าอยู่กับลมหายใจได้ไม่นานจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วก็ทีนี้ก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมต่างๆที่ศีลแปดห้ามไม่ให้เราทำศีลแปดห้ามไม่ให้เราทำเพราะอยากจะให้เราได้มาเจอความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่เกิดจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิพอใจสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำกิจกรรมที่ศีลแปดห้ามไม่ให้ทำพอเราได้ความสุขแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากจะทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ความสงบแล้วนี่ความสุขมันดีที่สุดเหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัตถิสันติพลังสุขขังความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบไม่มีความสุขความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี่คือรสแห่งธรรมรสของความสงบชนะรสของราบยศสารเสริญชนะรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลถะะ เพราะว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับรสของลาบยศและเสริญสุขเนี่ยมีรสของความทุกข์ตามมาเพราะเดี๋ยวเวลาที่มันเสื่อมเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมเสริญเสื่อ ม, มสุขมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ต, ตอนนี้สรุปจริงๆเรากำลังหาความทุกข์กัน ถ้าเราไปหาราบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่เราสูญเสียราบยศสรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปมันจะต้องมีวันเสียวันแก่วันเจ็บวันตายนั่นแหละเป็นวันที่ต้องเสีย เวลาแก่แล้วก็ไปหาเงินหาทองไม่ได้แนะ้วหายศหาสรรเสริยไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายคนเราถึงกลัวกันกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันเพราะว่ากลัวว่าจะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองแต่ถ้าเรา มาหาความสุขแบบใช้สติเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเราสามารถทำใจให้สงบสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะเราใช้เราใช้ให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยในเวลาเรานั่งสมาธิเราใช้ร่างกายเราไม่ใช้เรา จอดมันไว้เฉยๆให้มันนั่งเหมือนกันรถยนต์เนี่ยถ้าเราไม่ใช้รถยนต์นะถ้ารถจะเสียรถจะพังรถจะหายไปเราจะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนเพราะมันจอดมันจอดมันทิ้งไว้เฉยๆใครอยากเอาไปก็เอาไปร่างกายถ้าเราถ้าเราไม่ต้องใช้มันเราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนไปกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกาย เพราเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมืออันนี้แหละเป็นวิธีหาความสุขที่แท้จริงเป็นหาความสุขไม่ใช่เป็นการหาความทุกข์ถ้าหาราภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดผะนี่จะเป็นการหาความทุกข์เพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ พอร่างกายไม่สามารถหาได้เราก็ทุกข์กันหรือเวลาเราไม่สามารถอหาได้ถึงแม้ร่างกายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็หาอย่างไงก็หาไม่ได้บางคนไม่มีปัญญาหาเงินหาทองแทบเป็นแทบตายก็ไม่เคยรวยสักทีหามาได้เท่าไหร่ก็กินหมดใช้หมดไม่เคยร่ำเคยรวยเขา แล้วถ้าหาไม่พอใช้ก็เดือดร้อนก็ไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้จักใช้เลยถ้ารู้ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเก็บถ้าใช้น้นน้อยล้วเก็บไว้มากมากมันก็น่วยได้แต่ถ้าใช้มากไม่เก็บเลยแล้วหามาได้น้อยกว่าที่เราใช้มันก็เดือดร้อนหนุ่นวายอ ความสุขจึงกลายเป็นความทุกข์ไปเราต้องมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าฝึกสติไปเรื่อยๆจะใช้คําบริกรรมพุทธโธก็ได้จะใช้การเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เช่นพอตื่นขึ้นมาถ้าใช้พุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปเลยนึกแต่พุทธโธพุทธโธไป อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้ามีเรื่องจำเป็นต้องคิดก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวเช่นวันนี้วันอะไรมีธุระต้องไปทำอะไรที่ไหนอันนี้ก็คิดได้แต่คิดเดียวเดียวพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรนนก็หยุดคิดเตรียมตัวไปทำเรื่องที่เราต้องไปทำขณะที่เตรียมตัวก็อย่าคิดกระพุทธโธพุทธโธไปอับน้าล้างหน้าแปรงฟัน หวีผ้าหวีผมอแต่งเนื้อแต่งตัวรลบประทานอาหารทําอะไรก็ให้พุทโธไปถ้าเราจะใช้พุทโธถ้าเราใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ดูพอลืมตาขึ้นมาก็ดูว่ามันตอนนี้กําลังทำมันอยู่ตรงมันอยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ท่านอนพอมันลุกขึ้นมาก็รู้ว่ามันกําลังลุกขึ้นมาพอมันยืนก็รู้ว่ามันยืนพอมันเดินก็รู้ว่ามันเดิน พอมันเข้าห้องน้ําก็รู้ว่ามันเข้านะพอมันอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวก็รู้ว่ากําลังอาบน้ํากําลังแต่งเนื้อแต่งตัวให้อยู่กับงานที่ร่างกายกําลังทําอยู่อย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่ต้องคิดเท่านี้ถ้าไม่ต้องคิดก็อย่าไปคิดมันถ้าทําอย่างนี้ได้พอนั่งสมาธิมันจะสงบมันจะไม่คิดอะไรนั่ง เวลาที่เราใช้พุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันไม่ไปคิดอะไเดี๋ยวพุโทโธก็ทําให้ใจเราดิ่งเข้าสู่ความสงบตกลุมตกบ่อไปตกเหววูบลงไปถ้าดูลมก็เช่นเดียวกันดูไปเข้าออกเข้าออกเดี๋ยวมันก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบจะดิ่งก็ได้ไม่ดิ่งก็ได้บางทีก็ดิ่งแต่ไม่มากดิ่งที่เราเล็กเกน้อยเข้าไปเดี ขั้นทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดสงบแบบขั้นบันไดกม็มีก็ได้เหมือนกันขอให้มันสงบไม่ให้คิดอะไรแล้วมีความสุขจากความสงบนั้นใจว่างใจเย็นใจสบายถ้านั่งแล้วไปเห็นอะไรก็อย่าไปสนใ จ, จแสดงว่าเราเผลอละถ้าเราไปเห็นนู่นเห็นนี่แสดงว่าเราไม่ได้ดูลมเราไม่ได้พุทโธละ เราต้องกลับมาที่ดูลมต่อกลับมาที่พุโทโธต่ออย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจในขณะที่เรานั่งสมาธิเพราะมันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือความว่างความสงบความสุขที่เกิดจากการมีสติกำกับใจมีพุโทโธกำกับใจมีการดูลมหายใจกำกับใจ อย่านั่งเฉยๆวิธีการนั่งสมาธิแบบไม่มีพุโทโธไม่มีการกับกับใจนี้เป็นเป็นการนั่งให้ทาให้เป็นบ้ากันคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันก็เพราะว่าไม่มีสติกันไม่มีควบคุมใจพอใจเป็นอะไรก็บ้าไปกับใจไม่มีสติยับยั้งเนี่ยอนที่เป็นบ้าเพราะว่านั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าก็เพราะอไม่รู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้อง สองไม่มีกรูอาจารย์คอยอคอยคอยปรึกษาเวลานั่งแล้วมันต้องรายงานผลให้ครูบาอาจารย์ฟังเรือย่างน้อยถ้ารู้ว่าผลเป็นอะไรก็ก็ให้ให้รู้ว่าได้ผลนั่นหรือไม่ได้ผลถ้าได้ผลแตกต่างจากผลที่ควรจะได้ก็ต้องต้องต้องแก้นะเป็นการนั่งไม่ ต้องมีคนสอนเพราะการนั่งสมาธิมันก็เป็นเหมือนกับการขับรถเนี่ยถ้าเราขับรถโดยที่ไม่มีคนสอนเราก็จะขับไม่เป็นขับไม่ถูกแต่ถ้ามีคนสอนเขาก็จะสอนวิธีขับรถที่ถูกต้องขับรถที่ปลอดภัยถ้าขับโดยที่ไม่มีคนสอนอาจจะขับได้แต่อาจจะเบรกไม่ได้หรืออาจจะเบรกแบบไม่ถูก เแล้วทำให้รดหมุนติ้วเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนสอนมันถึงจะปลอดภัยแล้วจะได้ผลถ้าไม่มีคนสอนนั่งไปแล้วคิดไปเองสอนตัวเองเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้นี่คือเรื่องของ ความไม่สบายใจต้องแก้ด้วยการปฏิบัติธรรมต้องการกด้วยการรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญานอกจากสติจะหยุดความคิดแล้วเรายัางต้องใช้ปัญญามาทำลายความอยากสตินี้ไม่ทำลายสติเพียงแต่กดไว้กดความอยากไว้ปัญญาจะเป็นตัวทำลายเพราะปัญญาจะสอนให้เราเห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นยาพิษมันจะทำให้เรากระอักเลือดจะทำให้เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะมันจะไม่มันจะไม่ดีไปตลอดมันจะต้องเปลี่ยนได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนเวลามันไม่เปลี่ยนก็ดีเวลามันเปลี่ยนก็เสียใจกันทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ได้มาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็หมดเวลามันเปลี่ยนไม่เวลามันหมดนี่ก็ทำให้เราเสียอกเสียใจกันเนี่ยความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นเหมือนเดิมไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนต้องหมดเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วหมดช้าหมดเร็วทั้งนี้แต่มันต้องเปลี่ยนมันต้องหมด ถ้ามันไม่เปลี่ยนไ ม, ไม่ไม่หมดเราก็เราก็เปลี่ยนร่างกายเราก็เปลี่ยนร่างกายเราก็แก่ร่างกายเราก็เจ็บร่างกายเราก็ตายมันก็ทำให้เราต้องทุกข์เหมือนกันเขาไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนของบางอย่างมันมีอายุยาวกว่าเราเช่นบ้านช่องนี้อาจจะมีอายุยาวกว่าเรา มันเวลาเราตายเวลาเราต้องจากบ้านช่องไปเราก็ทุกข์เราก็เสียใจให้มองให้เห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้สั่งได้สั่งให้เป็นอย่างนั้นสั่งให้เป็นอย่างนี้ได้ สั่งได้บางเวลาเวลาที่สั่งได้ก็มีความสุขพอเวลาที่สั่งไม่ได้ก็มีความทุกข์สั่งสั่งให้แมสั่งไม่ให้แฟนจากเราไปก็สั่งไม่ได้เขาก็จากเราไปก็ทุกข์จะให้มองว่าทุกอย่างนี่เราไปสั่งไม่ได้สักวันหนึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนไปเขาจะต้องจากไป แล้วเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะไม่เสียใจให้เราอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความว่างที่ได้จากการนั่งสมาธิความว่างไม่มีวันเปลี่ยนความว่างนี้มีอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดไม่ดับไม่ขึ้นไม่ลงนี่แหละของแท้ของจริงคือความว่างแต่เรากลับมองไม่เห็นกัน ลองกลับไปเห็นของปลอมกันเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเห็นลาบยศสรรเสริญว่าเป็นความสุขกันแต่คนเจลาดเขาเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนมันมีเกิดมันมีดับอมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีมามีไปแต่สิ่งที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่มาไม่ไปก็คือความว่างอยู่กับความไม่มีเนี่แหละการไม่มีนี่แหละคือ ไม่มีอะไรเนี่ยกับเป็นความสุขอย่างยิ่งแต่เราไม่เคยอยู่แบบนี้กันอยู่ไม่เป็นวิธีที่จะอยู่กับความว่างก็ต้องทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรถ้าทำใจให้เฉยได้ไม่ให้โลภไม่ให้อยากได้ก็อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้แต่ถ้าอยากมีนั่นมีนี่มันก็ต้องมีถ้าไม่มีมันก็ทุกข์ แต่ถ้าอยู่กับความไม่มีอะไรได้มันก็ไม่ต้องมีอะไรการจะอยู่กับความไม่มีอะไรได้ก็เนี่ยต้องนั่งสมาธิต้องพุโทโธพุโทโธต้องคอยหยุดความอยากหยุดความหลงที่หลงไปคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความอยากกันก็คือความหลงความหลงคิดว่ามีราบยศเสนเสริญมีรูปเสียงกลิ่นแล้วจะมีความสุขกัน แต่มองไม่เห็นว่าเวลามันไม่มีอมันมันทุกไหมก็ตอนที่ไม่มีตอนที่อยากมีมันก็ทุกแล้วเนี่ยอตอนที่ไม่มีแฟนแล้วอยากมีแฟนทุกไหมทุกก็ยังอยากมีแฟนเราคิดว่าการมีแฟนมันจะมีแฟนไปตลอดเนะี่ยเดี๋ยวแฟนก็ต้องจากกันอีกแล้วเขาไม่จากเราเราก็จากเขามันก็ทุกอีกน สู้อยู่กับการไม่มีแฟนอยู่กับการไม่มีอะไรไม่ดีกว่าเลยแต่ต้องหยุดความอยากให้ได้ต้องทำใจให้สงบให้ได้ต้องใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากหยุดการความคิดที่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีความคิดที่จะหลอกให้เราไปมีสิ่งต่างๆทั้งนั้นเองความคิดที่ไม่ได้หลอกเราก็คิดได้ คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์นี่คิดได้คิดแล้วดีเพราะพระธรมให้เราหยุดความอยากเอาความคิดที่ดีมาหยุดความคิดที่ไม่ดีความคิดไม่ดีก็คืออ๋อมีไอ้นั่นก็จะดีนะมีไอ้นี่ก็จะดีไปเที่ยวที่นั่นก็ดีไปทำไอ้นู่นก็ดีมันดีเดียวเดียวไม่คิดดืมกาแฟก็ดีนะดืมแลเดี๋ยวก็ต้องดืม เว้าไม่มีกาแฟเดิม่มดีไหมไม่คิดเนะไม่คิดตอนที่ไม่มีว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราต้องมีความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรไม่คิดกันแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็ไม่เอาอะไรดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่าง ใจของพระพุทธเจ้าใจของพาาระานนี่ท่านอยู่กับความว่างท่านถึงมีบร ม, มีสุข nibbānang p a r a m a n g s u k เพราะนิ b b านังปรมัง m ุญ g s ū n y เพราะใจอยู่กับความว่างไม่ได้อยู่กับลาบยศ ส, สรรแสนไม่ได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่เคยคิดอยากได้ลาบยศสารแสนไม่เคยคิดอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสคิดอยากอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่ที่เงียบๆอยู่ ที่ไม่มีอะไรไปอยู่ในปา่าในเขาไปสร้างความอ่ความพอใจให้เกิดกับความว่างแล้วพอมีความพอใจอยู่กับความว่างได้แล้วก็สบายไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ในบ้านในเมืองก็ได้แต่ไม่ได้อยู่แบบอยากได้อะไรอยากมีอะไรเพราะมีความสุขจากการไม่มีอะไรไม่เป็นอะไร แต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไปอยู่อยู่ที่เงี ย, งยบๆดีกว่าอยู่ที่ไม่มีอะไรดีกว่าอยู่ในป่าอยู่ในเขาอย่ไปก็เฉพาะเวลาไปทํากิจจําเป็นไปบินธบาไปทําอะไรไปเผยแผ่ธรรมะไปเทศที่นู่นเทศที่นี่ทั้งนี้ถ้าไม่มีกิจแล้วกรรมแล้วก็อยู่ป่าอยู่เขาดีกว่าอยู่วัดดีกว่าอยู่ที่ไม่มีอะไรมาเอรบกวนใจ อันนี่คือวิธีแก้ความไม่สบายใจอย่าไปแก้ด้วยการไปที่อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ย้ายที่มันก็เป็นความไม่สบายใจมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราะไปไหนมันก็ตามไปกับเรานะเงาเรา<ม>เราต้องแก้ด้วยการเนี<ม>่ยทําใจให้สงบแก้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆด้วยการรักษาสี โดยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาแล้วเราจะไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องหนีไม่ต้องไปนูน่นมานี่ไม่ต้องมีอะไรเพราะเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนั่นเองกลานะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้ผ่อน ยะาวาริวหาปุราริบปุเรติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสาเปปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติ ปราโสยธาสัพพีติโยวิวัจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตาายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริกสะนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรมาวาทานติอายุวันุสุขัง อะไรไงหาหน้าไปได้งวแล้วเหรอห๋ยี่สิบส่เดือนเนี่ยครับปวดที่ไหนวัดป่าสุขใจอรับป่าดีวันนี้ได้ถือโอกาสสมุดปาการมีวัดป่าด้วยรมีมีวัดของอ่สาขาเลยอส อ๋นอน้องพ่อที่มาสร้างใหม่นี่แหล ะ, อะเอางนอาจารจย์ร<า>ู้จักไหมฮะเคยได้ยินเนี่ยเคยได้ยินข่าวว่ามีมาสร้างวัดป่าที่สมบดรปาการเพิ่งได้ฉลองอุโบสถใม่ยอเลยได้บวชเป็นรอบแรกที่นั่นเออแล้วมีมครูบาอาจารย์อยู่สั่งสอนเออดีอดแต่ยังไม่เป็นป่าใช่ยังเป็นทุ่งนาเพราะว่าก็เอาต้นไม้มาปลูกปลูกกุอยไงก็เลย สมาช็คที่มาอยู่ที่นี่ก็จะมีบวชอีกสองคนอืออ่านี่น่ที่มาประจำอ่าเาจะบวชกันอีกสองคนลาออกจากงานกันหมดแล้วเดี๋ยวเราทาให้บ้านเมงไม่เจริญนะไม่มีใครทางานแล้วผบวชก็ได้แมได้ใจแต่อาจารย์เนี่ยครับตั้งเดี่ย D ฮะ พยายามอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์หปียังไม่ต้องไปไหนะครับถ้าไปก็ไปอยู่ตามสำแนักครูบาอาจารย์ได้ขออนุญาตจากครูบาอาจารย์ว่าจะไปอยู่กับหลวงพ่อของนั้นหลงนี้นะแต่อย่าไปเที่ยวอะไรยังไม่ใช่เวลาต้องการที่จะสร้างรากฐานก่อนรากฐานของความเป็นพระ ต้องถือนิสัยในกูบาจางให้ท่านอบรมสั่งสอนวิธวิธีกินวิธีอยู่วิธีปฏิบัติของพระต่างๆให้มันมเรียบร้อยแล้วต่อไปไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่เสียหายเดี๋ยวถืออารมณ์ธรรมลดแห่งทําชนะรดทั้งปวงนะ รีกว่าลาบยศทานรสมลาบยศมันแบบเปรี้ยวหวานบางทีก็เปรี้ยวบางทีก็หวานบางทีก็ขมแล้วรสแทงรสแทงทำนี้หวานอย่างเดียวหวานเจี๊บหวานจืดๆแบบน้ำจืดเนี่ยน้ำจืด้สแทงทำเหมือนน้ำจืด น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายแต่ชอบดื่มน้ำที่มีพิษมีภัยมีกลิ่นมีสีมีรสมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ้าวถามมาดี่นั่งนั่งตนกัาคืนก็พอพอหมุน่า พ, พอดี มันนิ่งนิ่งไปุ๊บมันเหมือนจริงเราเหมือนเหมือนคล้ายๆจะหลับแต่มันไม่หลับแต่ก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะทําผิดหรือเปล่ากับมันที่ลงหายใจเหมือนเดิมจะหาได้มันอาจจะเคลิ้มก็ได้เคลิ้มถ้ามันทําคล้ายๆจะหลับมันก็แสดงว่ามันใกล้จะหลับแล้วแต่ถ้ามันไม่หลับถ้ามันมีสติจริงๆมันจะไม่เคลิ้มมันจะรู้ตลอดเวลาหรือว่ากําลังหายใจเข้าเหมือนกับรู้ตอนเริ่มต้นอะ เาตอนเริ่มต้นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดตอนมันเริ่มเคริมคร้มเคเริ่มเริ่มนึคล้ายๆว่ามันจะหลับมันแสดงว่ามันมันใกล้จะหลับแล้วก็ต้องปลุกสติขึ้นมากลับมาบางทีมันตอนนั้นลมมันก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ได้กลับมาดูลมต่อหรือใช้คำบริกรรมก่อนก็ได้สวดมนต์ ดึงสติกลับมาก่อนก็ได้แล้วพ อ, อ, อสาวเอพอได้สติแล้วก็ดูลงต่อไปถ้ายังจะเคริรม อ, อีกก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนอจงกลมทำอะไรมความว่วงนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคได้ถึงต้องกินน้อยๆต้องปฏิบัติ จริงๆพอปฏิบัติถ้าเจอปัญหานี้ก็ต้องกินน้อยๆบางทีบางทีต้องอดข้าวเลยนักปฏิบัติที่ว่าตาบ้านตาที่เราไปอยู่พราเขาจะอดกันอยู่เรื่อยๆครั้งละสามวันครั้งละห้าวันาบางท้อเราก็ไม่เคยอดพอไปอยู่ที่นั่นเห็เขาอดก็เลยลองอดดูอดแล้วมันดีมันทําให้ตัวเบา ไม่ง่วงแล้วขยันเพราะว่าถ้ามันไม่มันไม่นั่งภาวนาถ้าไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิใจมันจะปรุงแต่มันจะหิวมันจะคิดถึงเรื่องอาหารพอนั่งสมาธที่ใจมันก็หยุดคิดหยุดปรุงใจก็สงบความอิ่มก็กลับมาพอใจอิ่มแล้วความหิวทางร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาเลยอย่าไปกลัวความความหิวที่เกิดจากการอดอาหาร แต่เราอดแล้วต้องภาวนาต้องปฏิบัติแต่เราอดแล้วไม่ภาวนาไม่ควบคุมใจไม่ควบคุมความคิดมันก็จะทรมาน์เพราะมันจะคิดแต่อาหาราคิดแ ต, แต่เราต้องแต่ถ้าเราภาวนาได้มีสติควบคุมความคิดได้ใจสงบได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความหิวของทางร่างกายเพราะความหิวส่วนใหญ่อยู่ที่ใจ 9กมอีอยู่ที่ใจสิบเอร์ซนอยู่ที่ร่างกายพอความหิวทางร่างกายหายไปไอทางจิตใจหายไปเหลือแค่สิบเปอร์เซนใจอิ่มขึ้นมาเก้าสิบเอร์เซ็นตมันก็เลยไม่เดือดร้อนกับความหิวของทางร่างกายแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะไม่มีเครื่ไม่มีง่วงแล้วก็ไม่ขี้เกียจขยันแต่นี่เหมาะกับพวกที่เขาปฏิบัติมืออาชีพนะ แบบพระปฏิบัตินี่เขาญาตยมจะลองทำดูก็ได้แต่มันจะทำไหวหรือเปล่านั่นเองเพราะมันต้องมีสติสู้กับความคิดที่อยากจะกินอาหารนี่ถ้าสติสู้มไม่ได้นี่มันก็มันก็จิตใจก็ฟุง้งแล้วก็ไม่สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ดนั้นก็ต้องดูกำลังของเราด้วย แล้วก็อาจาจะดูเจริตด้วยท่านบอกาบางคนก็าอาจจะไม่ถูกกับการอดอาหารก็ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีั้า ง, ง่ว ง, งก็ไปหาป่าชานั่งนั่งมาแล้วใช่ค่ะกลัวหนักกว่าเก่าดอจะ <laughs> ไม่ง่วงไหมนะไม่ ง, ง, ง่ว <laughs> ง <laughs> สองชั่วโมงแบบตื่นตัวมากเลไปวัดนะคือตอนอยู่ดีๆก็ไปแลายพอไปหน้ามันเมื่อยมันปวดมันคัน กิเลสไงกิเลสสมาน้ิเลยกิเลสสมานอยากกลับบ้านกลับบ้านเปิดไม่นะดูทีวีนี่ดูได้ทั้งคืนนะกิเลสมันสร้างอารมณ์มาหลอกเราอารมณ์ปวดเมื่อยต่างๆมันเป็นอารมณ์คาถามนึ่งเจ้าค่ะเพื่อนฝากมาถามเพื่อฮ่องกงฝากมาถา ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทานเนื้อจระเข้แล้วก็ตุ๊กแกแล้วก็หมูแล้วก็ถามโยมว่าเขาอ่ช่วยเซฟเดอะเวิลด์นะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปทําร้ายาแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็ได้บุญเขาจะมาได้บาปได้ยังไงก็าถามโยมแล้วแตอพยายามอธิบายให้เขาฟังเขาก็ยังก็เป็นความคิดเข้าข้างตัวเขาเองไงถ้าเกิด คนอื่นเข้ามากินเราบ้างเขาเขาเขาเซฟเดี๋ยวเราจะว่าเรงไปถามกันดูเลยถ้าคนอื่นก็าบอกถ้าเข้ามากินแล้วแล้วก็ว่าเข้ามาเซฟเดี๋ยวว่านี่เราจะคิดยังไงบ้างเลิกขาดแล้วทีนี้เขามีเขาไปซื้อเนื้อไอเอ็หนังจรเข้ที่มาทํากระเป๋าใ่ไหมแต่เขาซื้อมาเก็บไว้แต่ทนี้เนี่ยพอเขาเริ่มมาปฏิบัติในทางคุธศาสนาซึ่งเขาไม่มีศาสนา แล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะทํายังไงกับจระเข้ตัวนี้เนี้าจะเอาไปถวายวัดอะไรอย่างนี้หรือว่าจะทำอะไรตัวนี้ก็มันอยู่ยงนั้นได้ก็ปล่อยมันอยู่ยงั้นไปสิไม่ต้องไปทําอะไรเลยเขาบอกว่ากลัวจิตวิ ญ, ญญาณม า, ากกลัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มาหรอกมันถ้ามันมามันมานานแล้วมันจะมารอมันมาตอนที่เรากําลังเปลี่ยนใจจะได้งไง ตอนที่เราเราตอนที่เราลักมันชอบมันไม่เห็นมันมาเพราะตอนเราเกียดมันขึ้นมาเริ่มคิดว่ามันจะมานะ้วมันอยู่ไงก็ปล่อยมันอยู่งั้นไปมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่มันเป็นของตายมันเป็นหนังสือเป็นเหมือนกระดาษนี่มันจะไปทำมันจะเป็นอะไรอตัววิญญาณมันก็ไปเกิดไปเป็นอะไรของเขาแล้วเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วนอกจากชาติหน้าเจอกันเม่ได่เขาก็จะมากัดมากินเราแทน เขาฝันนะเปล่พระาร อ, อาจารย์เร<ช>ื่อบอกว่าอย่าคิดเขา้าอย่าคิดข้างเดียวคิดกลับคิดมุมกลับบ้างอถ้าเราไม่อยากจะให้ใครเข้ามาทําเราเราก็อย่าไปทําเขา อ, อ, อยวไปอ้างว่าทําแล้วฆ่าเขาแล้วทําให้โลกนี้เบาขึ้น <c oughs> สูงขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาอ้างาแบบนี้กับเราบ้างเราจะว่ายังไงได้ไหม การไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่มีควมว่าดีหรอกเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเดือดร้อนใช่ไหมเราก็ไม่เดือดร้อนถึงแม้เราจะเป็นคนเลวร้ายขนาดไหนทำให้โลกมันเลวร้ายขนาดไหนเราก็ไม่อยากตา ย, ยดีไม่อยากให้ใครมาทำเราใครมาทำเราเราก็ต้องทำเขากลับหฉะนั้นการฆ่ากันนี่มันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความทุกข์ให้ต่อกันละกัน ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นมีแต่ทำให้โลกวุ่นวายขึ้นอพอเขามาฆ่าเราเดี๋ยวญาติพี่น้องเราก็โกรยก็ไปฆ่าเขาฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่มีวันจบสิน้นเข้าใจแล้วนะมีอะไรจะถามไหม คือเขาไม่เข้าใจภาษาไทยอะครับาอาจารย์พอจะมีที่แนะนำไหมครับเวลาเขากลับมาซัมเมอร์นะครับเป็นระยะสั้นๆสองอาทิตย์หนึ่งเดือนนะครับงไที่จะสอนธรรมะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือมันเขาต้องมีความสนใจก่อนถ้าเขาไม่สนใจก็มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะาของให้บังคับกันไม่ได้ นอกจากว่าเขาสนใจหรือไม่งั้นก็เรามีหนังสือภาษาอังกฤษคุณก็เอาไปไว้ที่บ้านก็นได้เมื่อเขาเห็นเขาสนใจเขาจะหยิบขึ้นมาอ่าน <Okay. S 1> ไม่บอกเขาว่าเนี่ยก็มีใน youtube เป็นภาษาอังกฤษก็มี <Okay. S 1> ให้เขาไปเปิดฟังเปิดดูได้ <Okay. S 1> แต่ส่วนใหญ่ก็เปิด y o u t ยูทูปก็จะดูหนังดูไอ้บ้าๆของบ้าบอคอแตกไอ้ <Okay. S 1> ของดีๆไม่เค่อชอบดูกัน <Okay. S 1> นั้นก็ ก็ทำเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันแต่มันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเขาสมัยเราเป็นวัยนุ่นเราก็เหมือนกันแล้วก็ไม่สนใจศาสนามันต้องถึงเวลามันจะสนใจเองเมื่อเริ่มเห็นความทุกข์ต่างๆล้วก็เริ่มเห็นว่าสิ่งที่เรามีกันไม่ได้มาแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ที่เรามีอยู่มันก็จะเริ่มคิดหาทาง มันก็มีหนังสือภาษาอังกฤษที่อยู่ตรงเซาล่านี่ยถ้าอยากจะได้ก็เอาไปไว้ที่บ้านก็ได้แต mm hmm. ่เขากลับมา mm hmm. แต่เขาไม่สบายใจก็บอกลองเอาหนังสือธรรมะไปอ่านดู mm hmm. เราก็ได้ประโยชน์จากหนังสือธรรมะเนี่ยเพราะเราก็ไม่สบายใจไม่ได้สบายใจเพราะว่ามันทุกข์เรืออะไรเพียงแต่ว่ามไม่สุขทําอะไรก็มันก็ไม่สุข mm hmm. ทําอะไรมันก็มีปัญหาแนละ้วนันมีความทุกข์ทั้งนั้น มันก็เลยทำให้สนใจที่อยากจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอะไรเพราะไม่เคยอ่านอ่านแต่หนังสือนิยายอ่านแต่หนังสือพิมพ์อ่านอะไรหนังสือศาสนาน่ีไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างก็เลยลองอ่านดูนก็เลยได้ได้ความรู้ได้ธรรมะขึ้นมาได้รู้จักวิธีดับความไม่สบายใจขึ้นม า, านก็เลยนำไปปฏิบัติ ถ้าจะพาลูกเขามาปฏิบัติธรรมที่นีได้ไหครับนี<ะ>่เปิดหลักให้ปฏิบัติธรรมอ๋อที่นี่มันมันมีแต่ที่อยู่ข้างล่างที่วัดยาเนี่ยเขาบนเขาเนี้ไม่มีที่ปฏิบัติครับีข้างล่างเขาให้มาถือศีลมาอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันแต่ต้องจองที่พักมานุ่งเขาห่มเขาถือศีลแปดลงโบสถ์ชเช้าเย็นไหว้พระสดวนนั่งสมาธิเขาก็มีกิจกรรมไม่ทําแค่นี้ ส่วนธรรมะก็มาฟังได้ช่วงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงมีคำถามก็มาถามได้แต่ไม่มีการสอนแบบพาเดินพานั่งพาอะไรอันนั้นต้องไปหัดต้องไปทำเองสอนแล้วก็ไปทำเองเนี่ยสอนให้มีสติให้ฝึกสติสอนให้นั่งสมาธิสอนให้คิดทางปัญญาก็สอนได้ท่านนี้ คนฟังก็ต้องเอาไปปฏิบัติเองออวันนี้ทางเฟ e บุ๊กเขามาเท่าไหร่อะวันนี้เฟซบุ๊กผงสุดสี่รยี่บอ่วันนี้ไม่สะดุดเนี่ยทุดสิบหลแบกรวมกันแล้วก็ห้าร้อยยี่สิบกับแปดสิบกรอยกว่าอาจารย์ ท, าทา่านมีทรงฐานค่ะ ที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาปฏิบัติใช่ไหมคะเรานั่งสมาธิไปชื่องหนึ่งแล้วถึงช่วงที่ว่าเข้าเลือตกหลุมตกบ่อถูกไหมคะพอเวลาตกหลุมตกบ่อปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันจะกลับขึ้นมาก็ให้มันกลับก็ไปใหม่นั่งต่อไปใหม่ใช่ทีนี้พอมันกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บเแล้วมันจะมีเป็นช่วงจังหวะที่ว่ามันเหมือนกับมันนิ่งมันนิ่งเลยแบบนิ่งแบบจะว่าง แบบสบายแต่อยู่ในสมาธิตลถอนนะแต่มันจะนิ่งแบบนิ่งนิ่งเลยมันอารมณ์มันนิ่งตลออนก็ดีเ <c oughs> ลยก็รักษามันไว้ให้มันนิ่งนะแล้วอาการในร่างกายก็คือว่ามันจะเหมือนกับเบาๆตั้งแต่ศีรษาจบเท้าหรืแต่มันจะเป็นอาการนิ่งอืแล้วก็ว่างตลอดแล้วมันสุกไหมล่ะมันสุกป่วยป่าสุกนี้ยังไม่สุกใช่ไหมนั่งั็ไม่รู้ว่าสุก็เปหรือไม่นั่งอย่างนี้มาตลถอนจนเมื่อคืน มันมีอาการขึ้นมาอย่างนี้คือพ่าไปได้คิดว่าน่าจะสักประมาณห่งชั่วโมงคือมันมีอาการคล้ายๆว่าอยู่ดีๆมันเหมือนกับเวลาอย่างคนเราเนี่ยเราดำน้ำถูกไหมคะแล้วช่วงที่เวลาเราอยู่ในน้ำปุ๊บเนี่ยมันเมือ่อเราขาดอากาศหายใจเราจะต้องรีบตักกายขึ้นมาให้พ้นน้ำเพื่อหายใจ อ, อยู่ดีๆมันเกิดอาการเหมือนกับว่ามีคนมาอุดจมูกไม่ให้ใ ห, หายใจหายใจไม่ออกอ ทีนี้โยมโยมก็นึกถึงหนังสือที่เอามาจากจิที่มี่เอาไปอ่านของหลวงปู่มั่นอืมที่บอกว่าถ้าเกิดอาการแบบเหมือนกับว่าจะหายใจไม่ออกเนี่ยให้ปล่อยให้คิดว่ายอมตายยอมตายอืแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปหายใจอืโยมก็พยายามเคือแบบยอมตายยอมตายอยู่สภาพักหนึงโดยไม่หายใจนะแต่รู้สึกมันทรมานมากเหมือนตะเกียรตะกายอยู่ในร่างกายเอ แล้วสักพักหนึ่งมันก็เริ่มหายใจได้อืแต่โยมก็พยายามหายใจแบบที่ว่าก็เหมือนแบบโยมลมหายใจแบบดูล ม, มแล้วมันก็กลับมาสภาพเดิมจะขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์หน่อยค่ะคือมันเกิดอาการอะไรขึ้นมาก็าให้ดูเฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเปลี่ยนมันอย่าไปบังคับมันกลับมาเรามาอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วอยู่ที่ลมของเราไปแล้วมันจะ มันจะขาดใจตายก็ปล่อยมันขาดใจตายไปอันจริงใจมันต้องการจะปล่อยร่างกายนั้นมันก็เลยสางแสดงอาการเหล่านี้ถ้าเราถ้าเราปล่อยคือเรามาอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปใจมันก็จะปล่อยแล้วมันจะแยกออกจากกันร่างกายมันก็จะเหมือนถ้าคนจะจมน้าก็เหมือนมันจะด้งลงนร่างกายมันก็ดิ่้งลงไปน้าใจก็ดิ่งไปทางความสงบ แล้วมันจะรู้สึกเบาสบายตอนนั้นเหมือนกับว่าไม่มีร่างกายที่เราต้องเกี่ยวข้องเลยนะดั้นเวลาเกิดอาการอะไรเหมือนกําลังจะตายอย่าไปสู้อย่าไปฝืนมันปล่อยมันไปแล้วให้อยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจไปทํามันไม่รู้ไม่ชี้ไปอ้ามึงจะตายก็ตายปล่อยมันตายไปจะขาดใจตายก็ปล่อยมันขาดใจตายแต่ต้องมีสติควบคุมใจให้นิ่งให้เฉย ถ้านิ่งได้เฉยได้แั้วมันก็จะปล่อยพอยปล่อยแล้วจิตมันก็จะดิ่งเข้าสู่ oh. ความสงบเต็มที่นะแล้วจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจคื ừ, อเ <ừ, S 1> บาสบายใจนี่คือเป็นมาตลอดแต่เมื่อคืนมันมีอาการอะไรเกิดขึ้มันจะเบาวกว่านั้นอกีกสุกกว่านั้น อ, อีกอคือถ้าผ่านนี้ไปได้จะมีอาการอีกอย่างหนึ่งขึ้มันจะเป็นอาการที่ดีที่สุด อันนั้นจิตลงถึงฐานามาถามทางบ้านคำถา ม, ถ า, มากคุณชะนานหูนั่งดูลมหายใจเข้าออกมีส ต, ติอยู่ตลอดพอนั่งสักพักรู้สึกเสียวหัวใจแว บ, บแว บ, บรู้สึกเหมือนจิตหิ่งลงจึงตัดสินใจออกมำงานที่พอรู้สึกกลัวถ้ามีอาการแบบนี้ต้องแก้อย่างไรคะเนี่ยเพิ่งตอบไปเนี่ย <laughs> ปล่อยมันอย่าไปสนใจมันจะตายปล่อยมันตายไปมันเป็นเพียงอาการหลอกเราเป็นอาการที่จิตต้องการจะปล่อยร่างกายให้มันจะมาดูว่าเราปล่อยหรือไม่ปล่อยเหมือนตอนเราจะตายอแบบเดียวกันนั่นแหละเหมือนตอนจะขาดใจตายถ้าเราไม่มีสติแล้วมันจะมันจะดิ้นมันจะดิ้นจะสู้จะเหนี่ยวจะลั่งไว้ แต่ถ้ามีสติปล่อยมันดีกว่าปล่อยแล้วใจจะสบายถ้าไปเหนียวไปร่างไว้มันจะทรมานค่ะคำถามจากคุณทัศนีมีครั้งหนึ่งตอนนอนตอนจะนอนหนูได้บริกรรมพุทโธ ท, ที่ปลายจมูกจนกระทั่งลุกตะหลับอยู่ดีๆเนอาการรู้สึกผูบในท้องน้อยหนูเลยสะดุ้งตื่นไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะก็หลับไงหลับแล้วก็สะดุ้งตื่น คุณคานิสอนขอกราบท่านอาจารย์เมตตาเทศนาเกี่ยวกับปฏิภาคนิมิต ด, ด้วยครับปฏิภาคนิมิตนิมิตมันมีสองอันนี้นิมิตทางปฏิบัตินะเรียกว่ามีอุคาหะนิมิตกับปฏิภาคนิมิตอุคห์นิมิตก็เช่นนั่งแล้วเห็นร่างกายของเราเ น, นี่ก็นึกถึงหรือนา้าเรานึกถึงร่างกายของเราก็ได้แล้วนึกถึงร่างกายของไข่ก็ได้ ขึ้นมาก็เรียกว่าอุกกาฮานิดๆแล้วถ้าปฏิภาปก็คือให้เราแยกร่างกายแยกชิ้นส่วนของร่างกายอย่าไปดูเฉพาะรูปร่างอย่างเดียวดูว่าร่างกายนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างผมก็แยกไปขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกไปทีละชิ้นทีละ อ, อันเหมือนกันเวลาที่พ่อค้าหมูเขาชำแหละหมูเงี้ยเขาก็เอาหนังหมูไว้ส่วนหนึ่งเอาเนื้อหมูไว้ส่วนหนึ่งเอาตับเอาไตาเอา ลำไส้ของหมูไว้แยกส่วนอันนี้ก็เรียกว่าปฏิภาครอคือให้เราดูอาการสาสองของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการปฏิภาคถ้าเห็นร่างกายเฉยๆก็เรียกว่าเป็นเป็นอุกหะเห็นร่างกายเห็นร่างกายแล้วเราต้องชำแหละมันให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนของร่างกายเพื่อจะได้รู้ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกาย มันมีเพียงอาการสามสิบสองแล้วก็ดูว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเนี่ยกายเวลาตายก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าไปเรียกว่าอุปฏิภาคนี่ก็ใช้การพิจารณาเนี่ยอ่ก็ใช้ความคิดเนี่ยตอนโอคาก็ให้นึกถึงนึกถึงร่างกายอยเรื่อยๆพิจารณาร่างกายนึกถึงร่างกายแล้วก็ให้พิจารณาเห็นร่างกายของใครก็ไปอย่างนี้เลย เห็นร่างกายของใครก็แค่อาการ32เดี๋ยวก็แก่เจ็บตายเดี๋ยวก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปอันนี้เรียกว่าปฏิภาคก็คือการพิจารณาร่างกายบุคคาะ ก, ก็คือให้เรานึกถึงร่างกายอยู่เรื่อยๆอย่าไปนึกถึงเงินทองข้าวของโลกนี้ทั้งโลกมันก็มีแค่ร่างกายที่เป็นปัญหากันใช่ไหมข้าวของเงินทองไม่ค่อยเป็นปัญหา ไอ้ที่เป็นปัญหาคือร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของคนที่เรารักเท่านั้นเองถ้าเรามองก็เห็นว่าเขาเป็นเพียงผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่จะต้องร่ำจะต้องสลายไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปถ้าเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันก็ไม่มันก็ไม่ยึดไม่ติดร่างกายของใครมันก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายกับร่างกายของใคร จะไม่ทุกกับความสวยไม่สวยความอะไรของร่างกายเพราะร่างกายเดี๋ยวมันก็รู้ว่ามันก็ต้องเหี่ยวต้องย่นต้องอะไรไปตามสภาพของมันถึงแม้จะสวยภายนอกมันก็รู้ว่าข้างในก็ไม่สวยอยู่ดีข้างในก็มีโครงกระดูกมีตับมีไ ต, ม, ตมีนํำไส้มีปอดมีหัวใจพวกนี้เรามองไม่เห็นกันไง ถ้ามองอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะไม่รักไข่มันไม่เกลียดไข่มันจะเห็นว่าเหมือนกับเดินไปในตลาดแล้วเห็นเห็นโครงกระดูกหมูซี่โครงหมูเห็นตับหมูตายหมูเห็นแล้วมันก็อยากจะกินนั่นนั่นจะไม่มีความรักความชังกับร่างกายของไข่มันจะไม่เห็นว่าเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นเป็นเล็กเป็นน้อยมันเหมือนกันหมดมันจะลดการถือตัวตนได้ด้วย ในร่างกายใ น, ใ น, ร, ในร่างกายเราเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสมมุติเท่านั้นสมมติว่าเป็นผู้จัดการสมมุติว่าเป็นรองผู้จัดการสมมุติว่าเป็นทานโรงมันก็เป็นสมมุติมันก็อาการสามสิบสองที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ต้องกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปก็มีเหมือนกันหมดทุกคนถ้าเกิดไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยมันก็คิดทบทวนว่าเออที่เรา ไม่ชอบให้สิ่งเหล่านั้นมันกระทบเพราะว่ามันมากระทบส่วนไหนของเราผมหรือคนเลยไล่ไปเรื่องมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่มีอันไหนที่ที่มันเป็นร่างกายที่เรารู้สึกว่ามันถูกกระทบแต่ทำไมเรารู้สึกไม่สบายใจอ่ะก็ความอยากของเราอยากให้เขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้พอก็ไม่ทาตามความอยากเราก็ไม่สบายใจอาจารย์คะมีคำถาม บางทีมีคำถามจากทางบ้านส่งมาที่มีคนถามว่าบางทีเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะมีสิ่งนู้สิ่งนี้ปรากฏมาถูกไหมฮะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าเขาให้ดูสติกลับมาที่ดูลมอย่างไง อ, อย่างเช่นในกรณีที่บางคนเนี่ยนั่งก็ไม่เคยสิ่งมีสิ่งนี้ปรากฏเป็นเนี่ยอันนี้เขาแสดงว่าการนั่งสมาธิของเขาไม่พัฒนาะนั่นเองไม่แสดงว่าสติเขาดี ไม่ปล่อยให้จิตมันไปคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาน้นไดเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นเลยแล้วอย่างบางคนที่เห็นนิมิตในสมา ธ, ธิ ม, นนมธันนิมิตแท้กับนิมิตเทียมไงท่ามนมีนิมิตแท้เนี่ยมันต้องเห็นหลังจากที่จิตสงบแล้วถ้าไปเห็นก่อนที่มันสงบนี่เป็นเป็นนิมิตเทียมเป็นนิมิตจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองมันต้องจิตรวมแล้วนิ่งแล้วมันแล้วเขาเริ่มไปเห็นนิมิตต่างๆนั้นนึงจะเรียกนิมิต ห uh, มายงตอนเห็นตอนที่จิตรวมแล้วรวมแล้วแล้วแต่มันไม่อยู่เฉยเฉยมันออกไปรับรู้เรื่องราวเนาะแต่ถ้านั่งเราไปเริ่มเห็นหนูน่นเห็นนี่ยังที่จิตยังไม่สงบนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งของจิตไม่มีสติคอยกากับใจเนี่ยที่เป็นบ้าก็เป็นบ้าเพราะ <c oughs> การอนิมิตเหล่านี้นั่งแล้วไม่มีอะไรกํากับใจปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งไปเองคิดไปเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ ที่จิตรวมแล้วเราเห็นนิมิตในช่วงนั้นนี่เราต้องทํำยังไงก็มีสองอย่างถ้าถ้าเรายังถ้าเราต้องการไปทางวิปัสสนาเราก็อย่าไปตามมันเรกลับมาดูลมกลับมาที่ความสงบตอนนั้นมันไม่มีลมอมันก็อยู่ที่ตัวรู้กลับมาที่ตัวรู้เฉยๆอย่าไปสนใจกับนิมิตที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเราอย่าไปมองมันอ่าย่าไปตามมอนเรามองล่างเราอย่าไปมองวนเราไปกลับมาที่รู้ก็แล้วกันอื อย่าไปสนใจพ่อคะแล้วอันนี้พ่อหนูปากถามอะคะ่ะอย่างเรื่องมิมิทอย่างนี้ค่ะพ่อพ่อเขาจะเกิดเกิดนี้มีขึ้นหลังจากที่มันไปที่ความบ้านไ่งเงียบแล้วคะ่ะแล้วพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาเห็นตอนที่ถอยกลับลงมาคะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยถ้ามีสติมันก็เดึงใจกลับมาที่ตัวรู้อย่างเดียว อย่าไปตามนิมิตต่างๆอย่าไปดูอย่าไปสนใจให้กลับมาสักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างไปแล้วลวขณะนั้นเรากลับมาบริกรรมพุทโธได้ไหมถ้าถ้าบริกรรมได้ก็บริกรรมไปถ้าเรากลับมาถ้าเรารู้มีสติว่าบไอ้นิมิตเหล่านั้นมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ไปตามรู้มัน แต่ถ้าเราเล่นโดยกระบนการพุโทโธมันก็จะวัยขึ้นเหนก็รีดดถ้าเราพูโทโธได้สแสดงว่าจิตเราถอนออกมาจากความสงบแล้วถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันไม่ไม่บริกรรมมันไม่อะไรใช่ไหแต่นั้นมันนิ่งมันสงบลมเริม่มหายไปหมดแล้วทิ้งไปหมดแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่างนี้จะให้เขาใช้ปัญญาตอนไหนอ๋อปัญญาก็ตอนนี้ไะตอนที่เราคุยกันนี้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เนึกถึงร่างกายขึ้นมา นถึงร่างกายของเขาว่ามีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้เป็นปัญญาเป็นการเรียนเหมือนกับเป็นนักศึกษาแพทย์มาทำความรู้จักกับชิ้นส่วนของร่างกายว่าร่างกายนี้มีมีอะไรเป็นองค์ประกอบมีตัวตนอยู่ในอาการ32นี้ไหม ตัวเราอยู่ที่ผมหรหือเปล่าแล้วอยู่ที่ขนแล้วอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังหรือไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแต่ความคิดของเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองมันจะได้รู้ว่ามันความจริงมันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงแต่ความคิดของเราไปไปคิดว่ามันเป็นของเราเหมือนที่ดินสมมุติตรงนู้นเราอยากได้ล้าก็ไปซื้อมาแล้วเราไปคิดว่ามันเป็นของเราล่ะมันเป็นของเรามันเป็นของเราตรงไหน มันเป็นของเราตรงที่ว่ากฎหมายเขาเขาอนุญาตให้เป็นของเราแต่ความจริงมันเป็นของเราที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่นั่นพิจารณ์เห็นว่าร่างกายถ้าเราแยากชิ้นส่วนออกมาแล้วเราจะเห็นว่ามไม่มีตัวเราในร่างกายมีแต่อาการสารสิบสองแล้ว เ, เป็นอาการที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอตายไปแล้วมันก็กลายเป็นดินน้ํำลงไฟไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ตอนนั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิต้องการพักจิตต้องการสร้างพลังจิตขึ้นมาเพื่อจะได้มีกําลังมาพิจารณาเพราะจิตไม่สงบกิเลสมันจะมามีกําลังแล้วกิเลสมันจะไม่ปล่อยให้เรามาคิจารณาร่างกายมันจะให้เราไปพิจารณารูปเสียงกลิ่นโน้นแทนเราไปพิจารณ า, า, าราบยุรเสริญสุขแทนนะเเเปีเ้้ใหขาฟังค่อ เวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็ลองเจริญปัญญาเจริญปัญญาด้วยการฟังแล้วพอฟังแล้วขั้นต่อไปก็ไปเจริญปัญญาด้วยความคิดเอาไปคิดต่อคิดอยู่เรื่อยเพื่อให้มันอยู่ในใจเราถ้าเราไม่ไปคิดเดี๋ยวก็ลืมนะเดี๋ยวพอออกไปก็มองเห็นร่างกายเป็นเป็นหญิงเป็นชายเป็น เป็นนายทหารนายพลเป็นนายกเป็นอะไรไปแล้วแต่ถ้าเราพิจารณาเยอะเรื่อยเรื่อยเราต่อไปเราจะไม่ได้เห็นนายกไม่ได้เห็นนายพลไม่ได้เห็นหญิงเห็นชายเห็นก็เห็นแต่ผมขนแม็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นแต่เดน้ำลมไฟเห็นแต่ความแก่ความเจ็บความตายความจริงเหล่านี้มีอยู่แต่เราไม่มองกันเราไปมองความจริงที่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็เป็นนายกเป็นรัฐมนตรี เป็นนายแบบเป็นนางแบบเป็นนางงามจักรวาลไปมองอย่างนั้นกันออแท้จริงแล้วมันผมขนเล็บฟันเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเอดินน้ํานมไฟเหมือนกันหมดถ้ามองแบบนี้แล้วมันก็จะไม่มีความแยกแยกสูงแยกต่ําำะรือว่าเหมือนกันหมดเหมือนกันทั้งโลกเลยใช่ไหมคะอ่าทุกคนเหมือนกันไม่เป็นบ้ะ มีใครไม่มีอาการชันที่สองมมีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างแต่ไม่ยอมให้มันแก่เจ็บตายกันสักคนทั้งๆที่ว่าแก่เจ็บตายกันทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายเพราะไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์อ่ะนั่นคือแต่ถ้าเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ก็ยอมยอมยอมรับไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพรยอมรับมันมันก็ไม่มันก็ไม่ทุกข์ ปบัเเพื่อให้เราปล่อยเพื่อให้เรายอมรับความจริงของร่างกายแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ร่างกายก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องพ่อแม่พี่น้องเพียงแต่ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือทาสิ่งต่างๆพ่อก็ใช้ร่างกายนี้ทำนู่นทำนี่ไปเดี๋ยวร่างกายก็แก่เจ็บตายไปพ่อก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไม่มีใครตายไอ้ที่ตายไม่ใช่ไข่ไอ้ที่ตายก็เป็นเพียงอาการสาสอง เป็นดินน้ําำลมไฟไอผู้ที่สั่งให้ร่างกายเป็นนุ่ม ท, ทำนุ่นทํานี่มันไม่ได้ตายเลยกับร่างกายพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเป็นดวงจิตดวงใจแต่ละดวงที่มาครอบครองร่างกา ย, ยแต่ละร่างไาากันเลยก็ไม่เคยหยุดมันเไยทําแต่ส่งเสริมมันไงไม่เคยผฟื่อมันมันก็ดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยกับเวลาที่เราใช้ในการดูแลรักษา ไม่เคยตัดมันมันก็เจริญงอก ง, งามเหมือนหญ้าเนี่ยถ้าไม่ตัดมันนก็งอก ง, งามขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็หมดไงพอตัดแล้วต่อไปก็ถอนรากถอนถอนต้องก็ตัดเหมือนก่อนตัดแล้วต่อไปก็ถอนรากมันออกมาตัดก็เหมือนใช้สติหยุดมันหยุดนั่งสมาธิก็หยุดความอยากชั่วข้าวแต่ยังไม่ตายพออจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาถอนรากมันน หลกของมันก็คือความหลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราพอปัญญาสอนเราว่าไม่มีตัวเราอยู่ในนี้พอเราเห็นชัดเจนเราก็เราก็ไม่เป็นหลงไปนักมันไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนบางทีมนะันสู้สู้กันในใจอะระหว่างที่ว่าปัญญาที่เราพยายามจะสอนมันกับไอความอยากความยึดยึดในเหตุการณ์ต่างๆหรืออะไรอย่างนี้อ่า ก็ต้องสู้กันไปจนกว่ามันเคยติดทิสัยที่จะไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เลยต้องมาสอนใจให้มองอีกมุมหนึ่งมองมุมมุมกับ ม, ม, มองมุมความจริงเรามองมุมความหลงมองในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรามองในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็น เป็นสุขเราก็เลยแทนที่จะไปไปรังเกียดมันกลับไปชอบมันไปอยากได้มันขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีใครอยากได้แล้วความหลงที่เราไม่ต้องคิดเลยมันไปเลยก็มันมันมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นสุขหมดเลยเพราะมันได้ความสุขจากสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยเห็นเหยื่อก็แหมน่ากินนะ พอหุบเหยื่อแล้วที่ก็ดอนเบ็ดตะขอเบ็ดเกี่ยวปากก็ทุกข์เ้าไม่เห็นเบ็ดก็ดูความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรารักสิเห็นไหมสามีเราตายไปแล้วนี่สุขหรือทุกข์เวลาที่เขาตายไปแล้วเขาเที่ยงเราไม่เที่ยงไม่มองกันไม่ยอมมองความจริง มันก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมานตับเปลี่ยนนั้นนี่ก็มีลูกเสดคนหนึ่งมาบอกว่าจะแต่งงานแล้วก็กโอ้มาฟังทำตัองหลายปียังไม่เห็นว่ามันทุบอีกอะพวกนี้ว่า ย, ยัางไง <c oughs> ยังไม่แล้วเขาก็มีน้องน้องเขาก็าเกพิ่งแต่งแล้วเพิ่งหยา่าก็ถูกทุบตีเป็นทเป็นกระสอบทรายก็ <c oughs> เมาไม่เห็นเลย เวลาน้องถูกทุบตีก็เอาถ่ายรูปมาให้ดูแล้วเนี่ยมาบ่นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาตัวเองที่มาจะแต่งขึ้นมาคนมันจะคิดว่าของของคนอื่นไม่อของคนอื่นไม่เหมือนของเราของเราต้องดีของเราต้องดีเอ่ใช่เออต้องเราต้องไปเจอของจริงไม่รู้แล้วแล้วพ่อเขาก็ยัง ตอนที่เขาพอเขาพูยโชว์ไปแล้วเขาบอกว่ามันจะไปค้าอยู่ที่ความว่างสงบแล้วเขาบอกว่าที่นั่นคือไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีร่างกายไม่มีลมหายใจไม่มีอะไรทั้งนั้นเราก็แบบอากาศก็กคือพ่อเขาบอกว่ามันไม่เหมือนในโลกอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คือเป็นเป็นตัวสมาธิหรือเปล่าคะมันถ้าเป็นสมาธิจริงมันมันน่าจะเป็นความสุขมากค่ะพ่อเขาบอกว่า อแล้วมันจะเ อ, อะไรกันละถ้ามีความสุขมากก็จะเอาอะไรล่ะแล้วแล้วแวพ่อเขาก็ยังยังยังเขาไม่รู้ว่าใช้ปัญญาไม่ยังไม่เป็นเพราะพ่อเขาไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เขานั่งตัวเดียวที่บ้านกันอค่ะก็นั่นหละบอกให้เขาว่าอวิธีหาความสุขก็เข้าไปนั่งสมาธิแทนที่จะไปนั่งกินเหล้าก็ไปนั่งสมาธิแทนที่จะไปมีอหนูมีแฟนก็ไปนั่งสมาธิบอก อ, อถ้ามีแฟนก็เลิกกับแฟนซะอย่ไปนอนกับแฟน <c oughs> ถ้ายังเห็นว่าความสุขจากนอนกับแฟนมันดีกว่านัฝึกนั่งสมาธิมันก็ยังแสดงว่ายังไม่ได้เจอความสุขจริงของสมาธิถ้าเป็นความสุขจริงของสมาธิมันจะมันจะดีกว่าความสุขที่ได้จากความสุขอย่างอย่างอื่นมันก็จะทําให้เบื่อและเลิกความสุขต่างๆได้แล้วยิ่งถ้าใช้ปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องเป็น มันจะต้องจากกันจะต้องหมดไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้จะตัดได้นะครับผมมีข้อสงสัยว่าฐานของสมาธินี่ถ้าเกิดว่าเราผ่านเวทนาที่ว่าเจ็บน้อยเราถึงฐานของสมาธิคือฐานของความสุขครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านไปที่เวทนาใหญ่คือว่าเจ็บหนักขึ้นเวลาลงมาอยู่ที่ฐานสมาธิฐานสมาธิสองอันนี้จะมีระดับเท่ากันไหมครับมันหน้าเดียวกันนะ ถ้ามันลงไปถึงฐานมันก็ในฐานนั้นเดียวอะไรต่อต่อให้ระยะเวลายาวนานเจ็บวดยังไงเราก็ต้องพยายามกําหนดให้กลับมาถึงให้มาหยุดที่ฐานเดิมนี้นะครับอถ้าปล่อยเวทนาได้มันก็จะเข้าสู่ฐานอถ้ามันไปติดอยู่ที่เวทนามันก็ปรุงแต่งอยากให้เวทนาหายมันก็มันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่หลงเหมือนกับความตายความเจ็บมันก็เหมือนกันถ้าปล่อยได้จิตมันก็จะดิ่งเข้าสู่ฐานของมันเอ ถ้าถ้าจิตที่เข้าถูถฐานความสงบแล้วถ้าเกิดว่าระยะเวลาผ่านไปในการนั่งวิปัสนาครับก็จะทําให้เวทนากลับกลับมันมันก็ต้องกลับมาเพราะเวทนามันเป็นของอนิจจังไม่เที่ยงมันเกิดดับเกิดดับอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันมาจากร่างกายตามดาที่มีร่างกายมันก็ยังต้องเจ็บอยู่ดีเพียงแต่ว่าใจเราไม่ไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองเรา พระพุทธเจ้าพหายก็ยังมีความเจ็บทางร่างกายอยแต่ท่านไม่ทุกข์กับมันท่านอยู่กับมันได้แต่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยสติท่านอยู่ด้วยปัญญาถ้าอยู่ด้วยสติก็ต้องเข้าชาญเหมือนกับหลบมันแต่ถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องหลบมันเปลี่ยนใจเราจากไม่ชอบมันให้ชอบมันเท่านั้นเองพอชอบมันก็อยู่กับมันได้เหมือนคนที่เราไม่ชอบพอเราเปลี่ยนใจชอบมันก็อยู่ด้วยกันได้ ถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้มันไปอยากจะให้มันหายใจมันก็จะเครียดนี่มองว่าทำไงมันก็ไม่ไปมันต้องอยู่กับมันก็หัดชอบมันเสียก็หมดเรื่องหรืออย่างน้อยก็อย่าไปไม่ชอบมันพอไม่ไม่ชอบมันใจเราก็ไม่เครียดใจเราก็อยู่กับมันได้เราก็ต้องมาสอนใจว่าเวทนานี่มันเป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไมชอบทามันไม่ชอบมันก็ทุกข์ อย่าไปไม่ชอบมันใช่เฉยๆไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญาอมองให้เห็นว่านี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นตามที่เราต้องการมันก็จะไม่ว่าจะทําให้เราทุกข์เพราะมันเราไม่สามารถทําให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้ ความต้องการของเราคือต้องการสุขเวทนาอย่างเดียวไม่ต้องการทุกขเวทนาแต่สุขเวทนามันก็ไม่เทีย่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปทุกขเวทนาก็เข้ามาโอ้ทุกขเวทนาเข้ามาก็อยากจะให้มันหายเพออยากจะให้มันหายก็ทุกขขึ้นมาสุขเวทนาหายไปก็อยากจะให้มันกลับมาพอไม่กลับมาก็ทุกข์อีกเราต้องอย่าไปมีความอยากกับสุขหรือทุกขให้มันมามันไปตามเรื่องเหมือนกับดินฟ้ากะมอง เวทนาหรือมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราไปทําอะไรมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศเป็นแต่ว่าเรายังสามารถที่จะสั่งมันได้บ้างบางเวลาเราก็เลยคิดว่าเราจะสั่งมันได้ตลอดเวลาพอถึงเวลาไปสั่งมันไม่ได้ขึ้นมาก็ก็ทุกข์ขึ้นมา อย่าไปสั่งหัดอยู่กับมันมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปแล้วจะไม่ทุกข์กับมันอันนี้เราเราต้องมาแก้เรื่องที่เรายังไปอยากไปสั่งมันอยู่เช่นร่างกายอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องมาสั่งมันมาสอนว่าอย่าไปสั่งปล่อยมันไปมันอยากจะแก่ก็ปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไป ลูกก็เหมือนกันลูกก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากก็ทุกข์ ก, กับมันเองเราก็ทำหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดสอนมันเลี้ยงมันไป irie? สอนมันจะไปทางไหนก็ช่วยไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าอยากให้มันมาทางนี้มันไม่มาทางนี้เราก็จะทุกข์ทุกอย่างเป็นดินฟ้าอากาศอย่าไปอยากให้ฝนตกตอนที่มันไม่ตกอย่าไปอยากให้ฝนหยุดตอนที่มันตก แล้วเราจะไม่ทูกกับฝนฟ้าอากาศอ่ะเข้ามาคําถามจากคุณแมนขณะอยู่ในสมาธิแล้วเกิดมีแสงสว่างเป็นสีเขียวมรกตสว่างจ้าบนศีสระเป็นครั้งแรกค่ะหมายถึงอะไรคะหลายครั้งเมื่อเข้าสมาธิจะเป็นแสงเหมือนไฟมีออนสว่างสองสว่างที่ก็อย่าไปสนใจมันไม่ต้องไปหมายไม่ไปรู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น แล้วก็อย่าไปสนใจมันท่านเองถ้ายังยังไม่สงบเต็มที่ก็ภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปแล้วมันถ้ามันสงบเต็มที่แล้วมันของพวกนี้มันจะไม่เกิดแล้วถ้ายังเกิดแสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ก็พุทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปคำ ถ, ถามจากคุณวีดาพรการที่พิจารณาอาการสามิบสอง พิจารณาร่างกายจนเข้าใจว่าเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเพียงภาพแต่บางครั้งยังถือตัวตนมีทิฐิมานักสูงกว่าเขาดีกว่าเขาอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เข้าใจนั้นยังเป็นแค่สัญญาใช่ไหมครับมันคนละเรื่องกันไ้ถือตัวตนนี่มันเป็นความคิดในใจเราการเห็นร่างกายนี่ว่าเหมือนกันหมดนี่ก็เป็นเป็นปัญญาระดับของร่างกาย คนบางคนนี่มองร่างกายเป็นที่วัดมาตรฐานาคนนี้สูงกว่าเราต่ากว่าเราที่ร่างกายแต่พอเราพิจารณาร่างกายว่ามันเหมือนกันหมดมันก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดว่าเราสูงกว่าเขาต่ํากว่าเขาอยู่อันนี้มันเป็นความรู้สึกนึกคิดในใจเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าเขาก็เป็นร่างกายกับใจท่านเองเราก็เป็นร่างกายกับใจ เหมือนกันไม่สูงไม่ต่ำกว่ากันถ้ายังคิดว่าสูงต่ำกว่ากันก็แสดงว่ายังหลงอยู่เท่ากันหมดเหมือนกันทุกคนมีร่างกายมีใจร่างกายก็แก่เจ็บตายใจก็เป็นผู้รู้คำถามจะคุณสุภาพรถ้าเราได้ฟังธรรมหรือการสั่งสอนจากผู้รู้ในเรื่องบาปบุญแล้วนำไปถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้ด้วยเจตนาอยากให้เขาหันมาสู่ทางธรรมบ้าง ถือว่าเป็นการอวดอุตริไหมเพราะเราก็ไม่ได้รู้จริงค่ะก็ไม่ได้อวดแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ควรจะไปเสียเวลากับคนอื่นเรามาปฏิบัติให้เรารู้จริง <c oughs> เห็นจริงก่อนดีกว่าเมื่อ ร, รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะสอนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพคนฟังเขาก็จะไม่สงสัยในคําสอนของเราพราะเราสอนอยังไงเราก็ทําอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูสอนบอกให้เขาเข้าวัด น, นั่งสมาธิแต่ตัวเราก็ไปกินเบียร์กินเหล้าอย่างนี้ก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ศรัทธาไม่เกิดคำถามจากคุณลาวันดิฉันต้องเข้ารับการข่าตาัดควรทำอย่างไรดีพยายามปล่อยวางอยู่กับความว่าง คิดว่าตายก็ดีอย่างนี้ถูกไหมคะก็ได้คิดว่าตายก็ดีถ้ายอมตายก็จะไม่ทุกข์คำ ถ, ถามจากคุณลมบนไปร่วมบุญหล่อพระพุธทธรูปจะได้อ น, นิสง์มากไหมครับก็อยู่ที่เงินที่เราจ่ายถ้าจ่ายเงินมากก็ได้บุญมากจ่ายน้อยก็ได้บุญน้อยมันเป็นทานอย่างหนึ่งเป็นการทำทานนั่นเองนี่การทำทานก็ก็มี มีบุญมากคุณน้อยก็อยู่ที่เงินเราจ่ายทํางินทำร้อยบาทกับพันบาทนี่มันก็มีความรู้สึกต่างกันใช่ไหมเวลาเราจ่ายพันบาทกับจ่ายร้อยบาทนี่ความรู้สึกมันต่างนนะยิ่งเสียมากมันรู้สึกมันยิ่งกิเลสมากมันยิ่งทําให้เราต้องฝืนมากบังคับมากในการทําบุญก็เพื่อที่เราละความยึดติดกับในทรัพสมบัยข้าวของเงินทองที่มันทําให้เราหนักอกหนักใจ พอเราปล่อยได้แล้วใจแรงก็เบาขึ้นเบาขึ้นก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปลําดับถ้าปล่อยน้อยมันก็ยังหนักอยู่มันก็มันก็ปล่อยได้บางส่วนี้มันก็ไปไปไม่สูงชั้นเทพจึงมีหลายชั้นเหมือนโรงแรมมันมีหลายดาวอยากจะอยู่โรงแรมห้าดาวมันก็ต้องจ่ายมากกว่าโรงแรมหนึ่งดาวไม่ใช่จ่ายหนึ่งดาวแล้วไปอยู่ห้าดาวเขาก็เตะออกเหมือนขึ้นเครื่อง ไปนั่งชั้นหนึ่งยแต่จ่ายชั้น Eco, อีโคอก็ไปนั่งไปหางแถวหางเครื่องอันนี้ก็เหมือนกันทำบุญก็อย่างนี้แหละอันนี้หมายถึงในคนคนเดียวกันนะไม่แน่ไปเปรียบเทียบกับคนสองคนคนสองคนนี่มีฐานะต่างกันเปรียบเทียบในจำนวนเงินไม่ได้ถ้าในคนสองคนจะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบในใน ในจาํานวนทรัพย์สินที่เขามีว่าแต Gar ่ละคนนี้ทําบุญเท่าไหร่นคนนี ct, mm ้ท hmm. ha, ําบุญร้อยละสิบของทรัพย์สินที่เขามีคนนี้ก็ทําบุญร้ละสิบของทรัพย์สินที่เขามีเขาก็จะได้บุญเท่ากันแต่ปริมาณเงินไม่เท่ากันเพราะคนนี้มีร้อยล้านคนนี้มีล้านเดียววันนี้เขาทำร้อยละสิบของล้านหนึ่งเขาก็ทําแค่แสนหนึ่งันนี้เขามีร้อยล้านก็าทำร้อยละสิบเขาก็ทำล้านร้อยสิบล้าน แต่ความรู้สึกทางจิตใจมันเท่ากันบุญที่ได้รับความเบา อ, อกเบาใจเหมือนกันแต่ปริมาณเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้เรียกว่าบุญที่ทำให้เราไปสวรรค์ชั้นต่างๆแต่อันนี้สงที่เราได้รับจะได้รับจะหลังจากที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ก็ไม่เหมือนกันอีกคนทำสิบล้านมันก็จะได้มากกว่าคนที่ทำล้านหนึ่งเ่ยพเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารสิบล้านกลับมามีดอกสมทบ กับล้านหนึ่งมีดอกสมทบมันก็ไม่เท่ากันเพราะการทําบุญนี้ส่วนหนึ่งก็เหมือนกับการนองเงินไปฝากไว้ในธนาคารสําหรับเวลาเรากลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะได้เบิกได้คนที่ทำสิบล้านกลับมาเกิดก็ต้องได้อย่างน้อยสิบล้านบวกดอกคนที่ทําร้านหนึ่งมันก็ได้แค่ล้านหนึ่งบวกดอกมันจะไปได้มากกว่ามากกว่าคนที่ทำสิบล้านไม่ได้แต่เวลาตายไปไปสวรรค์ชั้นเดียวกันเพราะอ่า เพราะความเบา อ, อกเบาใจเท่ากันความสุขใจที่ได้จากการทํามันเท่ากัน เ, เราพูดนี้คนไ ม, ไม่ไม่ดูแค่ว่าพูดว่าต้องทําต้องมีเงินเยอะๆถึงจะได้บุญเยอะมันไม่ใช่หรอกคําถามจากคุณกิ่งแก้วเพื่อนฝากถามค่ะข้อที่หนึ่งกรณีที่เพื่อนฝากเงินให้เราซื้อเหล้าบุหรี่มาให้ถือว่าเราสนับสนุนในการทำบาปไหมคะ จะว่าสนับสนุนก็ได้ถ้าเราไม่ไม่สนับสนุนก็ก็อย่าไปทำให้เขาสิไปรับใช้เขามันก็เหมือนกับสนับสนุนเขาเหมือนกันแต่เราไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราแทนที่จะช่วยเขากลับเรากลับไปเหมือนกลับไปช่วยทำลายเขาช่วยเขาเหมือนเขาอยากจะฆ่าตัวตายเขาให้เราไปซื้ อ, อยาพิษแมา ก, กิน อันนี้ก็เหมือนกันการเดือชรา้าก็เป็นแบบค่าตัวตายแบบช้าๆท่านเองไม่ตายทันทีข้อที่สองการที่เราซื้อสินค้าจากต่างประเทศราคาแพงๆเข้ามาเพื่อให้เพื่อนแล้วไม่ดีแค่ภาษีผิดไหมคะถ้าผิดกฎหมายก็ถือว่ามันก็เป็นลักขโมยเงินของของทางรัฐบาลไปไม่จ่ายภาษีก็เป็นการลักทรัพย์อย่างหนึ่งคำถามจากคุณ พุโทโธพุโทโธพอท่องไปนานๆรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่นิ่งค่ะทําอย่างไรดีหรือการท่องต้อ ง, ท, องท่องชา้าๆอ๋อไม่เราอาว่าไปพอท่องช้าก็ฟูมพอท่องเร็วก็เหมือนไม่สงบค่ะเพราะว่าเรามีกําลังน้อยเราต้องฝึกพุกโทโธก่อนเรามานั่งเหมือนเหมือนวิ่งอ่ะถ้าเราไม่ซ้อมวิ่งก่อนพอมาวิ่งมันก็หอบแต่ถ้าเราซ้อมวิ่งอยู่เรื่อยๆพอมาวิ่งมันก็จะไม่หอบ เราต้องซ้อมพุทโธอยู่ก่อนที่เราจะมานั่งซ้อมพุทโธอย่างที่บอกเนี่ยตั้งแต่เติ่งขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีกําลังพุทโธจะมีกําลังแล้วเวลานั่งมันจะพุทโธมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามันมันเราได้ซ้อมมาแล้วเรามีกํำลังที่จะพุทโธถึงบอกว่าอย่ามาพุทโธเฉพาะตอนเวลานั่งมันจะไม่ได้ผลจะต้องพุทโธตั้งแต่เติ่งขึ้นมาเลย ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็มันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนี่ถ้าอยู่ในขั้นสตินะถ้าอยู่ในขั้นสติก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องปัญญาไม่ต้องไปพิจารณาร่างกายหรืออะไรเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวให้เอาให้สติให้ได้ก่อนให้ได้สติให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยไปขั้นปัญญาถ้าเราไปคิดทางปัญญามันก็จะคิดปุงแต่งจิตมันก็จะไม่นิ่ง แราต้องการขั้นตอนนี้ราต้องการให้มันนิ่งเราต้องให้มันคิดอยู่แต่พูดโธอย่างเดียวกไนคำถามจากคุณจิราโรธข้อที่หนึ่งรัสูที่ว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตพิจารณาอย่างไรครับก็เนี่ยเห็นกายในกายก็เห็นในกายว่าในกายก็มีอะไรบ้างเนี่ยก็อ่านดูเขาก็บอกว่าให้ดูว่าร่างกายมีอะไรบ้างมีอาการสามสิบสองเนี่ยกายในกาย ร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายตา ย, ตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟกลายเป็นซากศพอันนี้ก็เรียกว่าการพิจารณากายในกายการพิจารณาจิตในจิตก็ให้พิจารณาว่าจิต ม, มีอารมณ์อะไรบ้างมีอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์กลัวอารมณ์หลงดีใจเสียใจของวกนี้เป็นอารมณ์เป็นอนิจจังทุกข์เหมือนกับร่างกาย ร่างกายมีเกิดมีดับอารมณ์เหล่านี้ก็มีเกิดมีดับโกรธแล้วเดี๋ยวก็หายรักแวเดี๋ยวก็หายชังแล้วเดี๋ยวก็หายยินดีแล้วเดี๋ยวก็หายยินร้ายเดี๋ยวก็หายมันก็เกิดดับเกิดดับไปหดหิดน้ขานใจแล้วก็หายดีใจเดี๋ยวก็หายให้รู้เราอย่าไปยึดกับอารมณ์เหล่านั้นให้ปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันดีใจไปเรื่อยๆอย่าไปอยากให้มันสบายใจไปเรื่อยๆ ยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆเพราะจิตมันต้องมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ข้อที่สองนิพพานตอนมีชีวิตจะถึงได้หรือเปล่าแล้วถ้าถึงการดำรงชีวิตอยู่จะทำให้เราหลุดจากนิพพานอีกหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ถึงนิพพานในวันเพ็ญเดือนหกตอนนั้นอายุยี่สิบ สามสิบห้ามาถึงนิพพานแล้วก็เหมือนก็จะเป็นนิพพานไปตลอดมันไม่มีวันเปลี่ยนไม่ต้องไปทําอีกอะไรอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บต า, ตายก็เรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับใจใจเป็นนิพพานแล้วจะไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคําถามจากคุณปัฐมพรถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วใจจะไม่กับเพิ่มกับความรู้สึกต่างๆคือจ ะ, จะรู้ว่าสุขทุกข์แต่ไม่รู้สึกกับความรู้สึก สุขหรือทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะจะไม่มีปฏิกิริยาจะเฉยเฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยการให้เงินมาล้านก็เฉยใครขโมยเงินไปล้านก็เฉยเพราะไม่ได้มีอะไรกับสิ่งเหล่านี้ใจมีความสุขในตัวของมันเองมันเลยไม่รู้สึกว่ามันได้หรือเสียอะไรไปแล้วออีกสามข้อนะคำ ถ, ถามจากคุณพิพิคน เวลผมนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกไม่อิ่มยังหิวยังกระหายยังอยากนั่งสมาธิอยู่การอยากแบบนี้ถือเป็นกิเลสหรือเปล่าครับหนึ่งอยังไม่สงบเต็มที่ตั้งสงบเต็มที่แล้วมันก็จะไม่หิวแต่ความอยากนั่งสมาธิไม่เป็นกิเลสเพราะมันเหมือนกับการกินอาหารเป็นการหาความสุขที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าถ้าได้สมาธิแล้วก็ไม่ควรติดอยู่กับการหาสมาธิอย่างเดียว ควรจะมาหาปัญญาเพราะปัญญาจะทำให้เราได้ความสุขที่ถาวรกว่าความสุขที่ได้จากสมาธิความสุขที่ได้จากสมาธิจะได้ขณะที่จิตสงบเวลเราออกจากความสงบมาความสุขนั้นก็จะจางหายไปแต่ถ้าเราจเจริญปัญญาเราก็จะสามารถรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิให้อยู่ไปได้ตลอดค่ะคถามจากคุณจันทการตอน ทำงานภาวนาพุโทโธพอภาวนาไปเรื่อยๆรู้สึกหายใจมันอึดอัดเหมือนจะหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนกายมันจะวูบเหมือนเรากำลังจะเป็นลมเลยเกิดความกลัวและหยุดภาวนาพุโทโธไปค่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะถ้าพุโทโธก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนมให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวคำ ถ, ถามะกุณต้อมผมนั่งสมาธิ แล้วจิตผมออกจากทางศีรษะพุ่งขึ้นกระทบรู้ว่าผ่านหลังคาบ้านพุ่งสูงขึ้นไปผมเลยกลัวลืมตาขึ้นปรากฏว่ามองลงมามืดหมดเลยจำได้ว่าเลยดึงจิตลงมาสู่กายแล้วลืมตาขึ้นด้วยความตกใจปรากฏว่ากลับมาอยู่ในห้องพระเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือความหลงความไม่มีสติควบคุมใจเวลานั่งสมาธิต้องบอกอย่านั่งเฉย ต้องมีสติต้องมีพุโทโธพุโทโธกรรกับใจแล้วมีดูการการดูลมหายใจแล้วอาการต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดเพราะจิตมันผลิตสร้างขึ้นมาเองเหมือนความฝันเวลาเราฝันตอนนั้นเราไม่มีสตินะเวลานอนหลับไม่มีสติจิตมันก็เลยฝันคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอันนี้ก็เหมือนถ้านั่งนั่งสมาธิแล้วไม่มีสติก็ปล่อยให้มันคิดอะไรเรื่อยเปื่อยมันก็มันก็ผลิตอะไรต่างๆมาหลอกเรา เวลานั่งสมาธิต้องมีสติเนย่างไม่เรียกว่านั่งสมาธิก็เรียกว่านั่งเป็นบ้ า, าคนที่เป็นบ้าก็เพราะอย่างเนี้ยนั่งแล้วไม่มีสติแล้วไม่มีครูสอนบอกว่าไม่ใช่วิธีถูกต้องไปเชื่อว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนั่งแล้วก็ไปคิดว่าตนเองบรรลุเป็นบ้าเป็ น, ปนอะไรไปจริงๆมันเป็นเพียงความรู้ความคิดที่จิตมันปรุงแต่งมาหเราเราไม่ใช่ เ, เป็นความจริงความคิดว่าเราเป็นเศรษฐีกับความ จริงที่เราเป็นเศรษฐีมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านั่งสมาธิแล้วคิดว่าเป็นเศรษฐีแล้วออกมาแล้วจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่าแต่บางคนเป็นบ้าเป็นเชื่อว่าเป็นเศรษฐีขึ้นมาคิดว่าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะออมันไม่รู้ว่าความจริงของพุทธเจ้าเป็นยังไงเราไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งขั้นสมาธิยังไม่เข้าใจแล้วมันจะไปเข้าใจขั้นปัญญาได้ไงขั้นละสังโยชน์ต่างๆไม่มีวันเข้าใจหรอกพวกนี้ แล้วมันนั่งปุ๊บมันก็ว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเท้ามหาภพเป็นอะไรไปตามความรู้สึกความคิดของมันเองแต่ไม่ใช่เป็นความความจริงเลยเพราะไม่เคยรู้ว่าความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรไม่ได้ศึกษามาหมดแล้วนะวันนี้คาจารยนูขอถามหนึ่งว่าเวลามีเหตุการณ์มากระทบอย่างนี้ยค่ะมันมีความทุกเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุหรืว่าจะเป็นอยากให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าเหมือนเป็นความหมกม่นในใจแล้ว อ, อยากให้หายห อความอยากให้หงุดหงิดก็เป็นกิเลสอีกอย่างหงุหงิดก็ต้องรู้ว่ามันหงุดหงิดเพความอยากกับเรื่องนั้นแล้วก็อย่าไปอยากให้มันหายมันเป็นการอยากสองชั้นเข้าไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ยอมอย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะหายอย่างมากก็ถ้าทํางานก็อย่างมากก็แค่ออกเรื่องหงุดหงิดเดี๋ยวก็หายเลยเป็นธรรมมาลมเลยอาจารย์ขอคำถาม อที่คนเขาบอกว่าอย่านั่งสมาธิมากเดี๋ยวจะติดสุขเนี่ยหมายความว่าเขาไม่แนะหมายความไม่แนะนําให้นั่งสมาธิมันนานไม่ใช่เหรอเขาไม่รู้เขายังไม่ทันได้สมาธิเลยว่ามันจะไปติดได้ไงยังไม่ได้ความสุขจากการนั่งสมาธิมันจะไปติดได้กรณีที่คนได้ความสุขจากสมาธิถ้าเขานั่งนานๆนี่ก็ไม่ได้เสียหายัไม่เสียหายเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่ก้าวหน้ามัน ถ้ามีสมาธิแล้วมันก็ต้องสลับกับการออกทางปัญญา<อ>แต่ถ้าเกิดเราออกจากสมาธิเราก็พิจารณาปัญญาอยู่แล<อ>้วอแต่ในขณะที่เรานั่งสมาธิเต่อนั่งนานๆได้แล้วก็ต้องนั่งสลับกันเพราะเราต้องสลับกัน่ะพาการนั่งสมาธิเหมือนกับการพักผ่อนหลับนอนของร่างกายแล้วการเจริญปัญญาเหมือนกับการไปหาเงินหาทองถ้าหาเงินหาทองโดยไม่พักผ่อนหลับนอนมันจะมีเรี่ยวมีแรงไปหา ถมีแต่พักผ่อนหลับนอนไม่ไปหาเงินหาทองมันก็ไม่ได้เงินได้ทองมันต้องทําทั้งสองอย่างแต่ตอนต้นนี้ต้องทําทีละอย่างก่อนทําตอนต้นต้องทําสมาธิก่อนถึงจะไปทําทางปัญญาได้แต่ถ้าได้สมาธิแล้วไม่ออกทางปัญญาก็เรียกว่าติดสมาธิแล้ะอาจารย์นะแต่บางคนยังไม่ได้สมาธิก็จะไปทางปัญญาแล้วเพราะกลัวจะติดสมาธิพวกนี้ก็บ้าอีกแบบอ่านยังไหม ตัวเองยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนโกยจะไม่ได้เงินได้ทองรีบ ไ, ไปหาเงินหาทองแต่ไม่มีวิเดียว ม, มีแรงที่จะไปหาหาก็หาไม่ได้อยู่ดีนะเอาแล้วนะก็ขอให้นำสิ่งที่ได้ดินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ